วันนี้เป็นวันเสาร์ที่19 ก, กรกฎาคมพุทธศักราช2568เป็นวันมงคลอย่างยิ่งอีกวันหนึ่งเพราะว่า จะมีการกระทาที่เป็นมงคลที่เป็นความสุขความเจริญแก่จิตใจของพวกเราทุกคนนั่นก็คือมีการฟังเทศฟังธรรมซึ่งเป็นการกระทาที่เป็นมงคลอย่างยิ่งตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้ทรงตรัสไว้ว่า กาเลนธรรมะสวนังเอตัมมังกาลมุตตมังการฟังธรรมตามโอกาสอันควรเป็นมงคลอย่างยิ่งก็คือเป็นประโยชน์สุขแก่จิตใจเพราะการฟังธรรมนี้มีอนิสงส์มีประโยชน์อยู่ถึงห้าประการด้วยกัน คอจะได้ยินได้ฟังทมที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อน 2. ธรรมที่ได้เคยได้ยินได้ฟังมาแล้วเมื่อได้ฟังซ้ำอีกก็จะเกิดความเข้าใจดีขึ้นไปตามลำดับ 3. จะกาจัดความลังเลสงสัยในธรรมต่างๆได้ 4. จะทาให้เกิด สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบคือปัญญาและห้าจะทำให้จิตใจสงบผ่องใสมีความสุขนี่คืออนิสงค์หรือผลของการฟังธรรมที่จะเกิดขึ้นถ้าฟังด้วยวิธีที่ถูกต้องวิธีที่ถูกต้องในการฟังธรรมเพื่อให้เกิด อันนี้สงห้าประการนี้ต้องฟังอย่างไรก็ต้องฟังด้วยกายวาจาใจที่สงบนั่นเองกายต้องอยู่เฉยๆร่างกายไม่เคลื่อนไหวไม่ทําอะไรต่างๆวาจาก็คือไม่พูดคุยกันสงบวาจาด้วยการไม่พูดไม่คุยกันและสงบใจ ด้วยการไม่มีความคิดปรุงแต่งไม่คิดไปถึงเรื่องราวต่างๆมีสติติดตามอยู่กับการฟังธรรมเพียงอย่างเดียวอันนี้คือเหตุปัจจัยที่จะทำให้เกิดอ น, นิสงส์ที่เกิดจากการฟังธรรมก็คือต้องสงบกายสงบวาจาและสงบใจ สงบกายสงบวาจาก็คือศีลสงบใจก็คือสมาธิถ้าฟังทมด้วยศีลด้วยสมาธิเป็นที่รองรับทมคือปัญญาก็จะเกิดขึ้นมาได้แต่ถ้าฟังแบบไม่สงบกายไม่สงบวาจาไม่สงบใจฟังแล้วก็จะไม่เกิดอ น, นิสงส์ขึ้นมา เล่นฟังทำไปแล้วก็ทำกับข้าวไปทำอะไรไปทำงานอย่างอื่นไปควบคู่กันงานใจก็จะอยู่ที่งานเป็นส่วนใหญ่จะไม่ค่อยได้ฟังเสียงธรรมเท่าไหร่ได้ฟังก็ไม่ได้เข้าไปในใจเพราะใจไม่ได้มีสติไม่มีปัญญาเอามาคิดมาพิจารณาตาม ฟังแต่เสียงแล้วก็ผ่านหูซ้ายออกหูขวาไปใจก็จะอยู่ที่การทำงานทำการเป็นส่วนใหญ่หรือถ้าคุยกันถ้าไม่สงบวาจานั่งแล้วคุยกันใจก็จะอยู่กับเรื่องที่คุยกันจะไม่ได้อยู่กับเสียงธรรมที่ได้ยินได้ยินแต่เสียงแต่ไม่รู้เรื่องของเสียงธรรมเพราะใจไม่ได้ ให้ความสนใจกับเสียงธรรมกับให้ความสนใจกับการพูดจาคุยกันแล้วใจไม่สงบใจก็คือใจไม่นิ่งไ ม, ไ ม, ไม่ไม่นิ่งไม่ฟังไม่รู้อยู่เฉยๆใจไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ในขณะที่ฟังธรรมไม่ได้อยู่กับไม่ได้อยู่กับเสียงธรรมไม่ได้คิดอยู่กับเรื่องของธรรม แต่ไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องที่ผ่านมาแล้วในอดีตเรื่องที่ยังไม่ปรากฏขึ้นมาในอนาคตเป็นต้นถ้ามีการเคลื่อนไหวทั้งสามคือเคลื่อนไหวทางกายเคลื่อนไหวทางวาจาและเคลื่อนไหวทางใจแล้วทำก็จะไม่สามารถเข้าไปในใจได้ไม่สามารถเข้าไปทำประโยชน์ให้กับใจ คือให้ความรู้ความฉลาดกับใจให้สัมมาทิฏฐิให้กำจัดความสงสัยต่างๆที่มีใน ใ, นใจให้หมดไปได้และทำให้ใจสงบดังนั้นเวลาฟังธรรมเพื่อให้เกิดผลให้เกิดประโยชน์จึงต้องฟังด้วยกายที่นั่งเฉยๆไม่เคลื่อนไหวไม่ทำอะไรเพื่อใจจะได้ไม่ต้องมา กังวลกับเรื่องของร่างกายแล้วก็ต้องไม่พูดจะไม่พูดคุยกันใจจะได้ไม่ต้องไปอยู่กับเรื่องคุยกันจะได้อยู่กับเรื่องของธรรมเพียงอย่างเดียวแล้วใจก็ไม่ต้องสงบใจก็ต้องไม่คิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้ถ้าปล่อยให้ใจคิดแล้วเวลาฟังธรรมก็ไม่เข้าใจ เพราะได้ยินแต่เสียงแต่ใจไม่ได้เอามาคิดมาพิจารณาตามก็เลยไม่เข้าใจไม่เกิดสัมาธิฏฐิไม่เกิดปัญญาขึ้นมาแต่อย่างไดและไม่เกิดความสงบเพราะใจนี้อยู่กับการพูดคุยกันการพูดคุยก็ต้องใช้ความคิดเมื่อปล่อยให้ใจคิดกับการพูดคุยกั น, กกนใจก็ไม่เนิ่งไม่สงบได้ถ้าอยากจะให้ใจนิ่งสงบ เวลาฟังธรรมนี้ใจต้องมีสติให้รู้อยู่กับเสียงธรรมเป็นอารมณ์ไม่มีความจาเป็นที่จะต้องใช้อารมณ์อย่างอื่นใช้กรรมฐานอย่างอื่นเช่นเนานั่งฟังธรรมไม่จำเป็นจะต้องบริกรรมพุทโธพุทโธไปไม่จาเป็นที่จะต้องดูลมหายใจเข้าออกไปไม่จำเป็นที่จะต้องใช้อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเป็นเครื่องยึดเนี่วจิตใจ เพราะเรามีเสียงธรรมเป็นอารมณ์ที่เราสามารถใช้ยึดเหนี่ยวจิตใจได้เหมือนกับการสวดมนต์เวลาเราสวดมนต์เราก็สวดเรื่องธรรมะเช่นสวดบทพระสูตรต่างๆการฟังธรรมก็เป็นการฟังคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าก็สามารถใช้เสียงธรรมที่เรากาลังฟังอยู่นี้ เป็นอารมณ์ผูกใจไว้ได้เพื่อให้ใจไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆให้ใจนิ่งให้ใจสงบได้โดยที่ไม่ต้องใช้คำบริกรรมพุโทโธไม่ต้องใช้การดูลมหายใจเข้าออกให้ใช้เสียงธรรมเป็นอารมณ์แทนและเป็นวิธีที่ง่ายกว่าการที่เราจะต้องบริกรรมพุโทโธเองหรือดูลมหายใจเข้าออก พาเรามีเสียงทำรรให้เราเกาะยึดติดอยู่เราฟังแล้วเราถ้าเกิดความเข้าใจเราก็จะมีความเพลิดเพลินใจเราก็จะเกาะติดอยู่กับเสียงธรรมไปเรื่อยๆแล้วเสียงธรรมนี้ก็จะทำให้ใจนิ่งให้ใจสงบได้ให้เกิดปัญญาให้เกิดสมมาทิติขึ้นมาได้นี่คือวิธีการแสดงธรรมการฟังธรรม มีสองวิธีวิธีที่ถูกต้องและไม่ถูกต้องวิธีที่ถูกต้องก็คือฟังด้วยกายวาจาใจที่สงบหรือฟังด้วยศีลสมาธินี่เองสงบกายสงบวาจาก็เป็นศีลสงบใจก็เป็นสมาธิถ้าฟังด้วยกายวาจาใจที่สงบก็จะได้รับอนิสงได้ได้รับประโยชน์ แต่ถ้าฟังด้วยกายวาจาใจที่ไม่สงบก็จะไม่ได้รับประโยชน์ไม่ได้รับอนิสงส์หรือถ้าได้รับก็จะได้ได้น้อยมากไม่ได้เต็มที่ไม่ได้เต็มร้อยเหรือนกับการฟังด้วยกายวาจาใจที่สงบนี่คือเป็นมงคลเพราะวาผลที่เกิดจากการฟังธรรมนี้ เราสามารถเอามาใช้ในการดับความทุกข์ทางใจได้เราสามารถเอามาดับความเครียดได้เราสามารถเอามาดับความวิตกกังวลอุปหงให์ยัความหวาดกลัวต่างๆได้เพราะธรรนี้เป็นแสงสว่างที่จะทำให้เราเห็นว่าไม่มีอะไร ที่เราจะต้องเครียดไม่มีอะไรที่เราจะต้องกลัวไม่มีอะไรที่เราจะต้องวิตกกังวลแต่อย่างใดแต่ถ้าเราไม่ฟังเทศฟังธรรมไม่ได้เรียนรู้สัจธรรมความจริงของชีวิต <Yeah. S 2> เช่นของร่างกายของพวกเรา <Yeah. S 2> เราก็จะมีความเครียดมีความทุกข์ <Yeah. S 2> มีความห่วงใย มีความวิตกกังวลมีความหวาดกลัวเกี่ยวกับเรื่องของร่างกายของเราเช่นเราจะวิตกกังวลหวาดกลัวหรือทุกข์กับความแก่ของร่างกายทุกกับความเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกายและทุกกับความตายของร่างกาย <Yeah. S 1> เพราะว่าเราไม่เข้าใจธรรมชาติของร่างกายความจริงของร่างกายว่า ร่างกายเป็นอะไรกันแนะ่ <Yeah. S 1> ตามความรู้สึกนึกคิดของพวกเรา <Yeah. S 1> เราจะคิดว่าร่างกายนี้เป็นตัวเรา <Yeah. S 1> เป็นของเรา <Yeah. S 1> เมื่ออะไรที่เป็นเราเป็นของเรา <Yeah. S 1> เราก็จะเกิดความอยากให้มันอยู่กับเรา <Yeah. S 1> ให้เป็นของเราไปเรื่อยๆ <Yeah. S 1> ไม่มีวันจากเราไป <Yeah. S 1> อันนี้คือ ความรู้สึกนึกคิดของผู้ที่ขาดปัญญาขาดสัมมาทิฏฐิเป็นความรู้สึกนึกคิดของผู้ที่มีมิจฉาทิฏฐิมีความเห็นผิดเป็นชอบเห็นกงจักเป็นดอกบัวเห็นแมวเป็นสุนัขอย่างนี้เป็นต้นไม่ได้เห็นตามความจริงไม่ได้เห็นว่าแมวเป็นแมวสุนัขเป็นสุนัขแต่กลับไปเห็นสุนัขเป็นแมว ไปเห็นของที่ไม่ใช่เป็นของเราว่าเป็นของเราเช่นร่างกายนี้ตามหลักความเป็นจริงแล้วร่างกายของพวกเราอันนี้ไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราร่างกายนี้เป็นของธาตุสี่ดินน้ำนมไฟร่างกายทำมาจากธาตุสี่ต้องมีธาตุสี่ถึงจะมีร่างกายนี้เกิดขึ้นมาได้ การเกิดของร่างกายนี้ก็เกิดจากการผสมพันธ์ของธาตุสี่ของพ่อและของแม่นั่นเองเวลามีการผสมพัน์เอาธาตุสี่ของพ่อกับของแม่มารวมตัวกันเมื่อไหร่ก็จะเกิดการก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาก่อร่างกายขึ้นมาใหม่แล้วก็จ ะ, จะเจริญเติบโตอยู่ในท้องแม่ไปจน เติบโตเต็มที่มีอวัยวะมีอาการสามสิบสองครบเต็มที่ก็จะคลอดออกมาจากท้องแม่แล้วก็ต้องมีการเติมธาตุดินน้ำลมไฟให้กับร่างกายนี้อยู่ตลอดเวลาตั้งแต่เริ่มมีการผสมพันธ์กันขึ้นมาพอเริ่มก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาก็อาศัยธาตุสี่ในร่างกายของแม่ ใช้ธาตุสี่ดินน้ำลมไฟที่มีในท้องแม่หล่อเลี้ยงสร้างร่างกายนี้ให้เจริญเติบโตขึ้นมาให้มีอวัยวะสามสิบสองให้มีอาการสามสิบสองขึ้นมา mm hmm. แล้วพอออกจากท้องแม่มาก็ต้องเติมธาตุดินน้ำลมไฟด้วยตนเอง mm hmm. เวลาอยู่ในท้องแม่ไม่ต้องกินข้าวไม่ต้องดื่มน้ำไม่ต้องมีธาตุไฟเพราะอาศัยธาตุดินน้ำลมไฟของ ที่มีในท้องแม่เรอเลี้ยงร่างกายของทารกแต่พอออกจากท้องแม่แม่มาแล้วทีนี้ก็ต้องเติมธาตุเองไม่สามารถเอาธาตุจากแม่ได้นอกจากน้ํานมถ้าหิวหิวน้ำหิวอาหารก็อาศัยธาตุธาตุดินธาตุน้าธาตุอาหารที่อยู่ในน้ํานมนี่ส่วนอย่างอื่นธาตุไฟ ก็ต้องอาศัยการรักษาร่างกายให้มีอุณหภูมิที่อบอุ่นถ้าอากาศเย็นก็ต้องมีเสื้อผ้ามีผ้าห่มมห่มไว้ไม่ให้ร่างกายเย็นต้องรักษาอุณหภูมิรักษาความร้อนของร่างกายไว้แล้วธาตุลมก็ต้องหายใจเองพอทโลกเกิดมาจากออกมาจากท้องแม่สิ่งแรกที่ต้องทําก็คือต้องหายใจเองต้องเติมลมเองต้องต้องเติมธาตุลมเอง ไม่สามารถอ า, า, าศัยธาตุลมที่มีในท้องแม่ได้แล้วก็ต้องหายใจเองเติมธาตุลมเองแล้วต่อไปก็ต้องคอยเติมธาตุดินที่มาเป็นในรูปแบบของอาหารธาตุน้าในรูปแบบของเครื่องดื่มต่างๆเพื่อเสริมอวัยวะต่างๆของร่างกายให้เจริญเติบโตขึ้นไปตามลำดับจนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมา การที่มีร่างกายจเจริญเติบโตขึ้นมาได้นี้ก็เพราะว่ามีธาตุสี่มาคอยเสริมมาคอยมาคอยเติมให้นั่นเองเติมไปจนกระั่งร่างกายนี้เป็นร่างกายที่ใหญ่โตสมบูรณ์แล้วหลังจากนั้นร่างกายก็จะค่อยๆกลับสภาพคือจากการเจริญก็จะกลับกลับไปอีกทางหนึ่งก็คือกลับมาเสื่อม พอจเจริญเต็มที่แล้วพอเป็นผู้ใหญ่เต็มที่อายุกลางคนแล้วสี่สิบห้าสิบแล้วทีนี้ร่างกายก็จะเริ่มนับถอยหลังก็จะค่อยๆเสื่อมลงไปถ้าดินน้ํำลมไฟที่เข้าไปในร่างกายก็จะไม่สามารถเข้าไปได้มากเหมือนตอนที่กําลังจเจริญจะลดน้อยลงไปเรื่อยๆทําให้ร่างกายอวัยวะต่างๆนี้ก็ แก่ลงไปแล้วในที่สุดก็เกิดการเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วในที่สุดก็ต้องถึงแก่ความตายเพราะว่าอวัยวะที่ทํางานนั้นหมดกําลังหัวใจไม่มีกําลังที่จะหายใจปลอดไม่มีกําลังที่จะหายใจหัวใจไม่มีกําลังจะเต้นสูบเลือดฉีดเลือดไปตามยิ่ตามอวัยวะต่างๆ อันที่สุดร่างกายก็หยุดทํางานพอหยุดทํางานธาตุที่มีอยู่ในร่างกายก็จะแยกทางกันไปธาตุลมก็หยุดเข้ามาแนละ้วมีแต่จะออกไปละเหยออกไปธาตุแรกที่จะแยกออกจากร่างกายไปก็คือธาตุลมแล้วก็ตามด้วยธาตุไฟก็คือความร้อนของร่างกายร่างกายของคนตายจึงเป็นร่างกายที่เย็นกว่าร่างกายของคนเป็น เพราะร่างกายของคนเป็นนี้ยังมีธาตุไฟอยู่แต่พอรา่างกายของคนตายนี้ธาตุไฟนี้ก็จะหายออกไปทําให้ร่างกายของคนตายนี้เย็นไม่เชื่อลองไปจับดูเวลาคนตายแล้วเราไปจับร่างกายของคนตายดูเราจะรู้สึกว่าเขาเย็นกว่าร่างกายของเราเพราะเขาไม่มีธาตุไฟแล้วเหลือแต่ธาตุดินกับธาตุน้ําที่จะแยกกันเอาต่อไป ธาตุาน้ำก็จะแยกออกจากธาตุาต ด, ดินของร่างกายทำให้ร่างกายอวัยวะต่างๆแห้งกรอบไป mm hmm. ผิวหนังที่เคยมีน้ามีเนื้อก็จะกลายเป็นผิวหนังที่แห้งกรอบไปอวัยวะต่างๆก็เช่นเดียวจะกลายเป็นอวัยวะที่แห้งกรอบแล้วถ้าปล่อยทิ้งไว้ต่อไปก็จะผุพังกลายเป็นดินไป mm hmm. นี่แหละคือร่างกายของเราที่เราไม่รู้จักธรรมชาติของร่างกายเรามาเหมาเอาว่าเป็นเราเป็นตัวเราแล้วใครเป็นผู้ที่มาเหมาว่าเป็นตัวเราก็คือใจนี้เองใจนี้เป็นธาตรู้ที่มามีความสามารถที่มาครอบครองร่างกายให้มา เป็นคนรับใช้ของใจได้ใจนี้มีมีพลังจิตที่สามารถส่งคําสั่งมาที่ร่างกายมาสั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆให้กับใจได้ใจอยากจะหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลตัพระอยากหาความสุขจากสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ใจก็เลยต้องมีร่างกาย พอมีการสร้างร่างกายขึ้นมาในท้องแม่ใจก็ส่งกระแสะใจนี้ไปเกาะติด ท, ที่ร่างกายของเด็กที่กำลังเกิดขึ้นมาในท้องแม่และพอเด็กข้อดมาจากท้องแม่ก็สั่งให้เด็กที่จะกลายเป็นผู้ใหญ่ต่อไปให้ไปทำอะไรต่างๆมาให้กับใจสิ่งที่ใจอยากจะได้ก็คืออยากจะได้ลาบยศสรรเสริญ อยากจะได้รูปเสียงกลธธิก่นรสผดสะพ้าชนิดต่างๆใจก็จะใช้ให้ร่างกายไปหาลาบยศสรรเสริญหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสเพราะเวลาได้สิ่งเหล่านี้มาจะทำให้ใจมีความสุข<น>เวลาใครเวลาได้เงินได้ทองมานี่ทุกคนดีใจมีความสุข<น>เวลาได้ยศได้ตำแหน่งก็ดีใจเวลาได้รับการสรรเสริญเยินยอได้รับรางวัลต่างๆก็มีความสุข เวลาได้ไปเสพรวปเสียงกิ่นรดได้ไปดูไปฟังไปกินไปดื่มไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆใจก็มีความสุขแต่ความสุขที่ได้จากสิ่งเหล่านี้มันเป็นความสุขที่ไม่ยั่งยืนไม่ถาวรเพราะว่าเครื่องมือที่ใช้ในการหาความสุขเหล่านี้คือร่างกายมันไม่ยั่งยืนถาวรมันเป็นของไม่เที่ยง มันเกิดแล้วมันก็ต้องเข้าสู่กระบวนการของความแก่ความเจ็บความตายตามลำดับต่อไป<ม>พอร่างกายเข้าสู่ความแก่ความเจ็บไข้ได้ป่วยหรือความตาย<ม>การที่จะใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการหาความสุขจากราบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสก็จะเป็นไปได้ยากเป็นไปได้ลำบากในที่สุดก็จะเป็นไปไม่ได้เลย ใจจึงไม่ชอบความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายเพราะจะทําให้ใจไม่สามารถหาความสุขผ่านทางร่างกายได้นั่นเอง <communist. S 1> นี่จึงเป็นที่มาของความทุกข์ใจกับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายทุกเพราะอะไรทุกเพราะว่าใจไม่อยากให้ร่างกายแก่ใจไม่อยากให้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยใจไม่อยากให้ร่างกายตาย เพราะว่าเวลาแก่ก็จะลำบากต่อการที่จะไปหาราบยศสลเสริญหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเนื่องยิ่งเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยนี้ก็แทบจะหาไม่ได้เลยต้องไปนอนโรงพยาบาลนอนติดเตียงอย่างนี้เป็นต้นมีแต่ความทุกข์ทรมานที่เกิดจากอาการเจ็บไข้ได้ป่วยใจจึงไม่ชอบความเจ็บไข้ได้ป่วยจึงไม่อยากให้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วย แล้วยิ่งมาถึงความตายยิ่งไม่อยากให้ตายใหญ่เพราะเวลาร่างกายตายใจก็คิดว่าตัวเองจะตายไปกับร่างกายคิดว่าร่างกายเป็นตัวเราของเราพอร่างกายตายเราก็เลยคิดว่าเราจะตายไปกับร่างกายแต่ความจริงใจไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจเป็นเพียงเป็นผู้มาครอบครองร่างกายใช้ร่างกายเป็นคนรับใช้เท่านั้นเอง นี่คือสิ่งที่เราจะไม่รู้ไม่เข้าใจกันถ้าเราไม่มาฟังเทศฟังธรรมมาศึกษาเพื่อให้เกิดสัมมาทิฐิให้เห็นความเห็นให้ถึก ท, ที่ถูกตั้งว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเรานะร่างกายนี้เป็นของไม่เที่ยงเราไม่สามารถให้มันอยู่ไปตลอดไม่มีวันแก่วันเจ็บวันตายได้ <S S S นะถ้าเราได้รับความรู้อันนี้มามันก็จะทาให้เรา น, นี้มีทัศนคติ ต่อร่างกายจากการที่อยากจะให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเราก็จะหยุดความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายเสียเพราะเราเห็นแล้วว่าเวลาที่เราอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายใจเราจะทุกข์มากความทุกข์ของใจนี้เกิดจากความอยากของใจเองที่ไปอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย เพราะไม่เพราะเป็นความหลงที değil, ่ไปคิดว่าร่างกายเป็นตัวเราของเราเมื่อเป็นตัวเราของเราเราก็อยากจะให้มันอยู่กับเราเป็นของเราเป็นนานๆไม่อยากให้มันแก่ไม่อยากให้มันเจ็บไม่อยากให้มันตายนั่นเองความทุกข์เกิดจากความอยากของใจไม่ใช่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายของใจแต่อย่างใดคนที่ไม่มีความอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนี้ จะไม่รู้สึกทุกข์ร้อนเดือดร้อนกับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายเลยเช่นพระอริยะบุคคลขั้นที่หนึ่งพระโสดาบันยพระโสดาบันนี้ท่านเข้าใจธรรมชาติของร่างกายเข้าใจว่าร่างกายนี้เป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟไม่ใช่ตัวท่านท่านเป็นธาตุรู้แต่ร่างกายเป็นธาตุสี่ที่มารวมตัวกันชั่วคราวแล้ววันหนึ่งก็ต้องแยกตัวกันออกไปกลับคืนสู่สภาพเดิม ไม่มีใครยับยั้งการเกิดแก่เจ็บตายของร่างกายได้เมื่อเกิดแล้วก็จะไม่ไม่มีใครยับยั้งความแก่ความเจ็บความตายได้<ม>แต่แต่สามารถยับยั้งความทุกข์ใจได้ถ้าเข้าใจความจริงความจริงว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเรา<ม>เป็นอัตา<ม>แล้วก็เป็นของไม่เที่ยงเป็นของชั่วคราว เมื่อเกิดมาแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปเป็นธรรมดาห้ามมันไม่ได้อยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็จะทำให้ใจทุกข์ขึ้นมาเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์อะไรถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็อย่าไปอยากเท่านั้นเองหยุดความอยากของใจอย่าไปอยากให้น่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเพราะมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเพราะนี่คือธรรมชาติของน่างกายความจริงของน่างกายของทุกคน ที่เกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายด้วยกันทั้งนั้นแต่ใจนี้สามารถที่จะไม่ทุกข์กับมันได้ถ้ายอมรับความจริงยอมแก่ยอมเจ็บยอมตายวิธีที่จะทําให้ใจเรายอมแก่ยอมเจ็บยอมตายนอกจากที่เราได้ปัญญาจากพระพุทธเจ้าแล้วส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งที่เราต้องมีเพื่อจะทําให้เราหยุดความอยากหยุดความทุกข์ได้ก็คือเราต้องทําใจให้สงบให้ได้ ต้งฝึกสตินั่งสมาธิทําใจให้นิ่งให้สงบให้เฉยให้ปล่อยวางให้ได้ <m akes> ถ้าเราสามารถเจริญสตินั่งสมาธิทําใจให้นิ่งให้สงบให้ปล่อยวางได้แล้วเวลาที่เราเจอความแก่เจอความเจ็บไข้ได้ป่วยเจอความตายเราจะวางเฉยได้เราจะหยุดความอยากไม่แก่หยุดความอยากไม่เจบ็บหยุดความอยากไม่ตายได้พอเราไม่มีคํา อยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตา ย, อ ย, าตายอยู่ในร่างกายอยู่ในใจแล้วความทุกข์ใจก็เกิดขึ้นมาไม่ได้เราก็จะอยู่กับความแก่อยู่กับความเจ็บอยู่กับความตายได้อย่างสบายไม่เดือดร้ อ, น, mm hmm. อนนี่คือความสามารถของพระอริยบุคคลขั้นที่หนึ่งคือพระโสดาบันพระโสดาบันนี้ท่านเข้าใจความจริงของร่างกายว่าไม่ใช่ตัวเราของเรา mm hmm. ร่างกายเป็นของไม่เที่ยง ก่แล้วต้องมีความแก่วความเจ็บความตายตามมาไม่สามารถยับยั้งมันได้แต่สามารถไม่ทุกข์กับมันได้ด้วยการหยุดเหตุที่ทำให้ใจทุกข์กับมันเหตุที่ทำให้ใจทุกข์กับมันก็คือความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายนี่เองและจะหยุดความอยากนี้ได้ก็ต้องหยุดด้วยกำลังของสมาธิต้องฝึกสตินั่งสมาธิทาใจให้นิ่งให้สงบให้ได้ เมื่อใจนิ่งใจสงบแล้วใจจะไม่ทุกข์กับความแก่ไม่ทุกข์กับความเจ็บไม่ทุกข์กับความตายแต่อย่างไดนี่แหละคือสมมาธิฏฐิความเห็นชอบที่จะนาพาใจให้ไปสู่ความสงบสุขเวลาที่เจอกับความทุกข์ต่างๆใจจะรู้ทันทีว่าความทุกข์นั้นเกิดจากความอยากของใจและต้องหยุดด้วยกาลังของสติของสมาธิเท่านั้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการฝึกฝนเจริญสตินั่งสมาธิกันเพื่อทําใจให้นิ่งให้สงบให้อยู่เฉยๆให้ได้ถ้าเราสามารถทําใจให้อยู่เฉยๆได้หยุดความอยากได้ต่อไปเวลาเราเจออะไรเราจะไม่ทุกข์กับมันเพราะว่าเราจะหยุดความอยากต่างๆที่เป็นตัวเหตุที่ทําให้เราทุกข์ได้ เวลาเจอความแกแ่เราก็หยุดยอมแก่เวลาเจอการเจ็บไข้ได้ป่วยก็ยอมเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาเจอความตายก็ยอมตายไปเท่านั้นเองเราไม่ได้ตายไปกับร่างกายเราไปกลัวทำไมสิ่งที่ตายไม่ใช่เราเราเป็นธาตรู้เป็นใจที่ไม่มีวันตายใจของเราก็อยู่ต่อไปใจของเราอยู่ในโลกทิพย์ไม่ได้มาอยู่ในร่างกายนี้ เพแต่ใจเราสามารถส่งกระแสวิญญาณการรับรู้มาเกาะที่ตาหูจมูกลิ้นกายของร่างกายได้และส่งกระแสของสังขารความคิดปรุงแต่งสั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆให้กับเราได้แต่ใจไม่ได้อยู่ในร่างกายร่างกายเป็นอะไรใจไม่ได้เป็นอะไรไปกับมันนี่คือสิ่งที่เราไม่รู้สิ่งที่เราจะต้องพิสูจน์ด้วยการปฏิบัติถ้าเรานั่งสมาธิ เวลาจิตสงบเราจะรู้สึกว่าร่างกายกับใจนี่แยกกันออกไปร่างกายหายไปจากความรู้สึกของใจเหลือแต่ใจอยู่ตามลำพังเพราะเวลานั่งสมาธินี้เป็นการดึงใจออกจากร่างกายชั่วขา่าวดึงกระแสของวิญญาณที่ไปเกาะที่ตาหูจมูกนิ้วกายให้ออกจากร่างกายชั่วขา่าวให้พักการทำงานไว่ชั่วขา่าวใจกับร่างกายก็เลยเป็นเหมือนสองคนไปทันทีใจก็จะรู้ว่า อ๋อสิ่งที่ตายก็คือร่างกายแต่สิ่งที่ไม่ตายก็คือใจผู้ผู้เป็นเจ้านายของร่างกายผู้ที่ใช้ร่างกายให้ไปทําอะไรต่างๆนี้ไม่ได้ตาย ใ, ใจก็เลยไม่ทุกข์กับความตายไม่ทุกข์กับความเจ็บไม่ทุกข์กับความแก่อันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องมาพิสูจน์กันด้วยการปฏิบัติสมาธิเราได้ปัญญาแล้วครึ่งหนึ่งเราได้เรียนรู้แล้วว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเรา ร่างกายเป็นธาตุสี่ดินน้ำนมไฟร่างกายเป็นของไม่เที่ยงจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนี่คือปัญญาสมาธิแต่สิ่งที่เราต้องทาอีกอย่างหนึ่งก็คือต้องรู้จักหยุดใจหยุดความอยากให้ได้การจะหยุดความอยากได้เราต้องหยุดด้วยกำลังของสมาธิด้วยกาลังของสตินี่จึงเป็นที่มาของการปฏิบัติการนั่งสมาธิเพื่อหยุดใจหยุดหยุดความอยากต่างๆไว้ชั่วคราว ต่อไปเวลาที่เราไปเจออะไรแล้วเราเกิดความอยากขึ้นมาแล้วสร้างความทุกข์ใจให้กับเราเราก็หยุดความอยากนั้นได้ทันที<ม>พอหยุดความอยากได้ความทุกข์ใจกับเรื่องนั้นก็จะหายไปเช<ม>่นทุกข์ใจกับเรื่องเงินทอง<ม>ว่ามันจะไม่พอใช้มันจะหมดมถ้าไม่อยากจะทุกข์ใจก็ปล่อยมันหมดไปหมดก็หมดไม่มีก็ไม่มีก็อยู่บนแบบไม่มีไป อยู่แบบขอทานไปก็ได้ถ้าคิดอย่างนี้ใจก็จะไม่ทุกข์ยอมรับกับสภาพความเป็นจริงของสิ่งต่างๆที่ใจอาจจะต้องมาเจอมาพบกันเวลาที่เราจะต้องพัดพาคจากกัน mm hmm. ก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นเรื่องธรรมดา mm hmm. ทุกคนเกิดมาแล้วก็ต้องตายต้องแยกทางกันไปวันใดวันหนึ่งไม่ได้อยู่ด้วยกันไปนตลอด mm hmm. ถ้าใจทุกข์ก็รู้ว่าเกิดความอยากไม่อยากจะพัดภาคจากกัน แต่พอถ้าไม่อยากจะทุกก็หยุดความอยากนั้นไปถ้ามีกำลังของสมาธิก็จะหยุดได้อย่างง่ายดายก็จะไม่ทุกกับการพัดภาคจากการไปอย่างใดอ่ น, นี้คือเรื่องของปัญญาที่เอามาฝากท่านในวันนี้ซึ่งเป็นส่วนแรกของการแสดงธรรมปฏิบัติธรรมสามสิบนาทีแรกเราจะพูดเรื่องธรรมะแสดงธรรมให้ฟังแล้วสามสิบนาทีหลังต่อมานี้ ก็จะเป็นช่วงที่เราจะมาฝึกสตินั่งสมาธิทำใจให้นิ่งให้สงบต่อไป mm hmm. วิธีที่จะทำใจให้นิ่งให้สงบนี้เวลานั่งสมาธิเราต้องมีสติคอยกํากับใจผูกใจไว้กับกรรมฐานคืออารมณ์ที่จะสามารถยึดเหนียวไม่ให้ใจลอยไปกับความคิดต่างๆได้ mm hmm. เวลานั่งสมาธิจึงต้องมีกรรมฐานมีสติผูกใจไว้กับกรรมฐาน สตินี่เป็นเหมือนเชือกกัรมฐานนี่เป็นเหมือนเป็นเหมือนเสาถ้าเราอยากจะจับลิงผูกไว้ไม่ให้ไปไหนมาไหนเราก็ต้องมีเชือกมาผูกที่คอมันอีกปลายหนึ่งแล้วเอาเชือกไปผูกที่เสาไป<ม>พอ เ, เอาเชือกไปผูกที่เสาผูกที่ตัวลิงลิงก็จะไปไหนไม่ได้ใจเราก็เป็นเหมือนลิงใจมันชอบคิดอยู่เรื่อยเปื่อยคิดไปได้ทั้งวันทั้งคืนคิดแล้วก็เกิดความทุกข์เกิดความวุ่นวายใจต่างๆตามมา เราอยากจะให้มันหยุดคิดพ็หยุดความวุ่นวายใจต่างๆเราก็ต้องมีสติผูกใจไว้ให้อยู่กับเสาอยู่กับกรรมฐานกรรมฐานก็เป็นเสาเป็นอารมณ์ที่เราจะสามารถดึงใจผูกใจไว้ไม่ให้ลอยไปกับความคิดต่างๆได้กรรมฐานนี้ก็มีหลายชนิดด้วยกันบางท่านก็ใช้การดูลมหายใจเข้าออกที่ปลายจมูกหรือที่หน้าท้อง อันนี้การดูลมหายใจเข้าออกก็เป็นอนาปนสติเป็นกรรมฐานอย่างหนึ่งให้มีสติดูลมไปเรื่อยแล้วไม่ให้ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ใจก็จะเข้าสู่ความสงบได้บางคนยังดูลมไม่ได้ก็อาศัยการสวดมนต์ไปก่อนก็ได้ถ้าใจมันคิดมากไม่ยอมอยู่กับการดูลมก็ให้อยู่กับให้สวดมนต์ไปก่อนอยู่กับการสวดมนต์ไปก่อนหรือถ้าอยู่กับพุโทโธได้ก็อยู่กับพุโทโธพุโทโธไป ต้องมีอะไรผูกใจไว้ไม่ให้ใจลอยไปลอยมากับความคิดต่างๆใจถึงจะนิ่งถึงจะสงบได้ถึงจะถึงจะมีความสุขถึงจะมีกาลังที่จะหยุดความอยากต่างๆได้ต่อไปดังนั้นเวลานั่งสมาธินี่อย่านั่งเฉยๆอย่าปล่อยให้ใจคิดให้ผูกใจไว้กับกรรมฐานคืออารมณอย่างใดอย่างหนึ่งผูกไว้กับลมก็ได้ผูกไว้กับพุทโธก็ได้ผูกไว้กับบทสวดมนต์ก็ได้ หรือผูกไว้กับอย่างอื่นก็ได้บางท่านท่องนาการสามสิบสองได้อยู่กับบุรการท่องสามสิบสองไปก็ได้ <S <S หรือถ้ายังไม่สามารถทำเหล่านี้ได้ก็เปิดเสียงธรรมฟังไปก่อนก็ได้ฟังเทศฟังธรรมไปในขณะที่นั่งสมาธิไปด้วยก็ได้ <S <S อาศัยเสียงธรรมเป็นอารมณ์ผูกใจไว้ก็ได้ <S <S มีหลายวิธีด้วยการการนั่งสมาธิทาใจให้สงบถ้าท่านถนัดกับวิธีไหนก็สามารถเอาวิธีนั้น ไปใช้ได้ไม่จําเป็นที่จะต้องใช้เหมือนกันทุกคนไม่จําเป็นจะต้องดูลมเสมอไปไม่จําเป็นจะต้องพุโทโธเสมอไปไม่จําเป็นจะต้องสวดมนต์ไม่จําเป็นจะต้องพิจารณาอาการสามสิบสองไปแล้วแต่อันไหนที่มันทําให้ใจเรานิ่งไม่ให้คิดได้ก็ใช้อันนั้นไปแล้วขณะที่เวลาเรานั่งนี้มีอะไรเข้ามาให้เราสัมผัสรับรูก้ก็อย่าไปสนใจเช่นนั่งแล้วก็มีเสียงเข้ามาก็อย่าไปสนใจ ให้อยู่กับกรรมฐานไปถ้ามีภาพมีแสงมีสีมีอะไรปรากฏขึ้นมาในใจก็อย่าไปสนใจให้อยู่กับกรรมฐานไปคือให้ผูกใจอยู่กับกรรมฐานอย่าเสร์ไปกับสิ่งอย่างอื่นที่ปรากฏขึ้นมาเพราะจะทำให้ใจไม่สงบนั่นเองถ้าอยู่กับกรรมฐานไปอย่างต่อเนื่องเดี๋ยวใจก็นิ่งสงบแล้วก็จะเกิดความสุขเกิดพลังขึ้นมารู้แล้วว่าต่อไปนี้เราสามารถสู้ความอยากได้ เวลาเกิดความยากแล้วทำให้เราทุกข์เราก็สามารถหยุดความอยากนั้นได้ น, นี่คือเรื่องของการเรามาฝึกสติมานั่งสมาธิกันเพื่อสร้างกำลังให้กับใจกำลังที่จะหยุดความอยากต่างๆที่เป็นตัวสร้างความทุกข์ให้กับใจของเรานียนั่นเองและต่อไปนี้เราก็จะนั่งสมาธิกันไปจนกว่าจะหมดเวลา อตอนนี้เวลาสำหรับการนั่งสมาธิก็ได้หมดลงแล้วก่อนที่จะเลิกขอให้สังเกตดูว่าวันนี้เรานั่งแล้วสงบไหมถ้าสงบก็สังเกตดูวิธีนั่งแลจะจำเอาไว้คราวหน้าเวลาเรามานั่งต่อก็ใช้วิธีนี้ต่อไปได้เลยแล้วเราก็จะสงบเหมือนวันนี้อย่านั่งแล้วอยากให้มันสงบเพราะความอยากให้มันสงบนี้มันจะไม่ทาให้สงบ เอาวิธีที่เรานั่งที่ทําให้สงบนี้จดจำเอาไว้ถ้านั่งยังไม่สงบก็แสดงว่าสติเรายังมีน้อยก็ควรที่จะพยายามเจริญสติในระหว่างวันก่อนที่จะมานั่งให้มากที่สุดพยายามเหมือนพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆทั้งวันทั้งคืนก่อนก่อนตั้งแต่ตื่นจนหลับถ้าทําได้แล้วต่อไปเราจะมีสติมาก่านั่งสมาธิใจก็จะสงบได้ง่าย ถ้าต่อไปนี้จะขออนุโมทนาให้พรยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสากรลังเอวเมวะอิตโตทินังเวตานามุปกปติอิชิตังปัิตังตุมหังคิปเมวะสมิจโตสัพเพปุเรนตุสังกปา จันโทปนะระโสยธามณิโชติอระโสยธาสัพพิติยวิวาจันโตสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตาลาโยสุขิทีขายุโกภวาอภิวาทนัสสิริสานิจจงวุฒาปัจจายิน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 ถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้วันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่เรียนพระอาจารย์ค่ะวันนี้มีผู้รับฟังธรร ม, มานากุกติจากทางเฟส <c oughs> จากทาง facebook พระอาจารย์สุชาติสามรอยยี่สิบท่าน YouTube พระสุชาติไลฟ์สามร้อยสี่สิบสี่ YouTube ดร V 6หกสิบวิทยุออนไลน์สิบ คลับเฮาส์สามนากุติสองร้อยสามรวมทั้งหมดเก้ารอยสี่สิบท่านค่ะเในมิเชาล์ดังชาติจะถามคำถามก่อนไอนลยส่งส่งไว้ก็พูดได้โอเค thank you อาจารย์ for please speak closer to the microphone so thank you อาจารย์ for speak louder please uh What I need to know is whether an arahat, after uh, after his parinibbana, still exists in this world. Ye, yes, his mind doesn't disappear. His mind is still the same as before he's become enlightened. The difference is that his mind is pure, without defilement, without kilesa. Mm -hmm. But it's still there. Like washing your clothes, when you wash your clothes, all the dirt, all the dirty stuff leaves the clothes, but the clothes is still there. So the Maya, the Buddha, and the Dharma is still there in the same place mm -hmm. in the spiritual world in the in the in the part on the part that there is no rebirth. Mm -hmm. In the spiritual world, it consists of two parts. One part is samsara, rebirth, rounds of rebirth and existence, and the other part is nibbana. No rebirth. So that's t h s what the spiritual world is. Like our world, we have the north pole and the south pole. Okay, so the spiritual world has the nibbana and samsara on separate side. Thank you อาจารย์สุดแล้วใช่ thank you okay <c oughs> อาเชิญกับเรียนถามพระอาะจารย์ครับก็เคยมาบวชที่นี่ครับพระอาจารย์แล้วก็ช่วงนี้ก็ฝึกสมาธิอยู่บ่อยๆครับพระอาจารย์แล้วก็ผมก็อยู่ในสภาวะที่นิ่งแล้วก็รู้สึกพอใจกับสภาวะนี้ครับพระอาจารย์ เ, เวลาที่มีความทุกข์ใจหรือว่ามีความไม่สบายใจหรือว่ามีความโกรธอะไรพวกนี้เขาแอบหลบไปฝึกสมาธินั่งสมาธิก็รู้สึกดีขึ้นนะ <s> แต่ว่าเขายังมีความสงสัยว่าผมพอใจกับสภาวะนี้แล้วครับอาจารย์ครับผมยังคงต้องพยายามขวนขวายที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อให้ให้ให้ให้ให้มากกว่านี้ไหมครับเพราะผมรู้สึกว่าพอใจตรงนี้แล้วครับผมก็ต้องเรียนรู้ว่าเราจะทำอะไรทำอย่างไรไม่ให้เกิดทุกข์เลย ตอนนี้เรายังมีทุกข์อยู่เราต้องไปศึกษาว่าความทุกข์เกิดจากอะไรความทุกข์ก็เกิดจากความอยากของเราอยากให้สิ่งต่างๆเป็นไปตามความอยากของเราแต่สิ่งต่างๆนี้ไม่สามารถทำเป็นไปตามความอยากของเราได้เสมอไปเอาจริงทุกข์กันถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราก็หยุดความอยากนี้เสียอย่าไปอยากให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ปล่อยให้มันเป็นไปตามเรื่องของมันอันนี้เรื่องปัญญา ให้มองเห็นว่าทุกอย่างเป็นใจลักษณ์เป็นอ น, นิจจังไม่เที่ยง <Yeah. S 2> เปลี่ยนไปเปลี่ยนมามีขึ้นมีลงมีดีไม่ดีมดีไม่ดีสลับกันไปอนัตตาเราควบคุมบังคับไม่ได้ <Yeah. S 2> ถ้าเราไปอยากให้มันเป็นไปตามใจเราเราจะทุกข์ <Yeah. S 2> ถ้าเราไม่มีความอยากแล้วใจเราก็จะหายทุกข์ <Yeah. S 2> ไม่ต้องเข้าสมาธิเลยทีนี้นี <Yeah. S 2> ่คือขั้นปัญญา ก็หมายถึงว่าต้องฝึกวิปัสสนาฝึกสมาธิไปเรื่อยๆจนสภาวะนี้มันไม่ไม่เกิดขึ้นใช่ไหมครับอาจารย์จนใจเราสามารถควบคุมความอยากได้แล้วแล้วก็ไปสอนใจเราว่าสภาวะธรรมทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงครับเช่นร่างกายของเรานี่เราไปควบคุมบังคับมันไม่ได้ไปตลอดครับไปห้ามมันไม่ให้แก่ไม่ให้มันเจ็บไม่ให้มันตายไม่ได้ครัเอาไปมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายครับก็อย่าไปอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย แล้วใจเราก็จะไม่ทุกข์กับอะไรครับยอมรับความจริงใจต่านี้ไม่ยอมรับความจริงยังอยากได้อยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อยู่ครับถ้ายอมรับความจริงได้ใจก็จะไม่ทุกข์กับอะไรครับไม่ต้องเข้าสมาธิก็ได้ครับถ้ามีปัญญาแต่ต้องหยุดความอยากให้ได้ถ้าหยุดความอยากไม่ได้ก็ต้องต้องเข้าสมาธิไปก่อนเราต้องอาศัยกําลังของสมาธิเพื่อจะมาหยุดความอยาก เข้าใจายังเข้าใจารครับกลับขอบคุณพระอาจารย์ครับผมค่ะาาคำถามฝากถามจากคุณจันทรค่ะผมมีความจาเป็นต้องฉีดยาฆ่าหญ้าคือตัดหญ้าแล้วมันเอามิอยู่อาทิตย์เดียวก็โตขึ้นใหม่ผมเลยจำต้องฉีดยาฆ่าหญ้าท่านพระอาจารย์มีกุศโลบายยังไงไม่ให้เกิดกระทำผิดศีลข้อหนึ่งคือการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตครับ อ๋อฆ่าหญ้าได้หญ้ามันไม่มีชิมันไม่มีดวงวิญญาณไม่บาปแต่อย่าไปฆ่ามแมลงที่อยู่กับหญ้าท่านเน่ยมันจะตายถ้าพวกมแมลงพวกมดพวกอะไรที่มันอยู่อยู่กับหญ้านั้นมันอาจจะตายได้อันนี้บาปก็อย่าไปมีสนามหญ้ากันหมดเรื่องเทปูนมาให้มันหมดเลยอมันจะได้ไม่ต้องทำบาปไม่ยุ่งยากสมัยนี้เขาจัดสวนแบบไม่ต้องปลูกหญ้าก็ได้สวนหินก็ได้อะก้อนหินมาโรยแทน อย่างว่าตรงนี้ก็มีสวนเข็มอยู่ข้างๆนี่ถามนวราการค่ะหลวงพ่อหนูมีคําถามค่ะคือถ้าเรามีอาหารหนึ่งอย่างที่เราตั้งใจจะรับประทานแล้วเราเห็นพระองค์นั้นเดินผ่านแล้วเราตั้งใจจะใส่บัตรพระองค์นั้นแล้วเราจะเอานําอาหารที่เรายังไม่ได้รับประทา น, นะคะ่ะที่ตั้งใจจะรประทานไปถวายเขาไปถวายท่านนะคะถือว่าเหมาะสมไหมคะ ได้ถ้าเรายังไม่ได้รับประทานก็ไม่เป็นไร เ, ออเป็นท้องใหม่เป็นแต่ว่าเราตอนต้นคิดว่าจะกินเองพอดีพระเดินผ่านมาเข้าเลยบริจากให้ท่านไปแทน ไ, <ม>ได้บุญเหมือนกันไม่บาป ไ, ไม่บาปได้บุญเหมือนกันสาทุกข์ขาแต่ยา ก, กินครึ่องเนื้วก็พอเห็นพระเดินมาก็ใจบาปเรื่องนี้ก็ทําได้ไม่ไม่ผิดหรอกเพียงแต่ไม่นิยมกัน เวลาเราถวายของพระเราก็อยากจะถวายของดีๆเก็ในเวลาที่เรารับผลบุญเราจะได้รับของดีๆกลับคืนมานั่นเองถ้าเราเอาของเด่นไปให้พระเดี๋ยววัหนหลังเราก็จะได้ของเด่นกลับมาหาเรานะคำถามสักทาง y o u t u ด็อเตอร์วีค่ะลูกยิ่งปฏิบัติภาวนาสมาธิจนอุเบกขายิ่งรู้จักทุกได้ไวมาก ซึ่งเหมือนเจอแต่ทุกข์แต่ยิ่งเจอก็กลับยิ่งวางเฉยบางเรื่องบางเรื่องไม่ดีใจไม่สบายนี่ก็หยุดด้วยภาวนาบ้างปัญญาบ้างนี่คือผลของอุเบกขาใช่ไหมคะมันก็ทั้งปูเบกขาทั้งปัญญาควบคู่กันไปด้วยปัญญาก็ยอมรับความจริงใจก็จะไม่ทุกข์ Ajahn, is it correct to say that emptiness is always there, but the thing is we just never focus on it? Yeah, emptiness is space around us. It's emptiness, but the problem is we like to have things to keep us happy. We cannot live with nothing. We cannot live with emptiness. That's all. If we could live with emptiness, then we will be always happy, because emptiness never changes, never leaves us. It's always with us. But we prefer to have a wife, to have money, and this causes the suffering, because they don't last. They can come and go any time. But the Buddha said we should learn to live with emptiness, with nothing. Just have the basic n e c e s s i t y of life: food, shelter, clothing, and medicine. That's all we need. We can be happy with with nothing else. So, the, if one looks inside the mind, if you close your eyes and look inside the mind and forget everything, it seems to be instantly empty. Would that be correct? Now the mind is creating things like thoughts and emotions all the time, good and bad thoughts and good and bad emotions. The our goal is to manage them in a way that will not hurt us. Mm. Right now we are hurt by our bad emotion, s and we are blessed with our good emotion. s But we cannot create only good emotion. We are, we also create bad emotion. So we have to learn how to cope or live with the bad emotion. How? True. By just being calm and not reacting to our bad emotion. Let them come and go. When you're angry, just tell yourself it's temporarily. Soon enough, it will be gone. And don't be attached to good emotions because they will also be gone. If you're happy, tell yourself, don't, don't, don't attach to your happiness, because soon, n enough, it will disappear and replaced by something else. So this is we have to understand the nature of change in the mind. The, the emotions and thoughts are constantly changing. If we um, <coughs> focus the mind on nama or rupa. In the immediate present, will that automatically purify the mind? Well, you have to define what nama rupa is first. Mm. If you focus on the breath, the breath is the way of calming the mind only mm. temporarily. When the mind doesn't think and f o c u s s on the breath, the mind can can become calm and peaceful and happy temporarily. As soon as you stop focusing on your breath, you start to think. คำถามจากทางยูทู e พระอาจารย์สุชาติค่ะเราจะทราบได้อย่างไรคะว่าเราปฏิบัติไปได้ถึงระดับไหนถ้าเดินจงกรมกับนั่งสมาธิจะได้สติกับสมาธิเบื้องต้นใช่ไหมคะแล้วเราจะทำวิปัสสนาได้ตอนไหนคะ วิปัสสนาก็ทําตอนที่หลังจากเราได้สมาธิก่อนเพราะถ้าไม่มีสมาธิก็เหมือนไม่มีเครื่องมือที่จะไปทํากับวิปัสสนาได้หนังฝึก ส, สมาธิให้จิตนิ่งให้สงบตลอดเวลาทั้งขณะที่นั่งสมาธิหรือไม่นั่งสมาธิให้ได้แล้วหลังจากนั้นเราก็มาเจริญวิปัสสนามาพิจารณาอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาในสิ่งต่างๆรู้่าเป็นของไม่เช่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเราของเราถ้าไปยึดไปจิตก็จะทําให้เราทุกข์ ถ้าไม่ยึดไม่ติดเราก็จะไม่ทุกข์ให้ปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างอย่าไปอยากได้อยากมีอยากเป็นให้อยู่คนเดียวแบบพระพระพุทธเจ้านี้ถ้าไม่ไม่มีใครไม่มีครอบครัวไม่มีลูกไม่มีสามีไม่มีภรรยาไม่มีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆเพราะได้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยงเป็นอนัตตาไม่ใช่ของเราถ้าไปมีเราอยากจะยึดจะติดอยากจะให้อยู่กับเราเป็นของเรา พอเขาไม่อยู่เขาจากเราไปก็จะทำให้เราเศร้าคำถามจากทาง YouTube พระอาจารย์สุชาติค่ะตอนนี้เกรดเพื่อนร่วมงานครับมีแต่ผู้นั้นมีแต่ภาพผู้นั้นจึงกำหนดเอาไฟเผาภาพในความคิดกลายเป็นขี้เถ้าแล้วพิจารณาว่าสุดท้ายก็กลายเป็นดินปลิวไปในอากาศว่างเปล่าพอะจะสงบลงบ้างอาศัยทำตอมนิ อาศัยธรรมตอนนี้มีภาพบุคคลนั้นปรากฏค่ะดีกว่าคิด <c oughs> ว่าวิธีดีกว่าก็คืออย่าไปเผาภาพดีกว่าอันอยู่กับความจริงดีกว่าเขายังอยู่ก็อยู่กับเขาไปมองเขาว่าเป็นเหมือนกับดินฟ้าอากาศเราควบคุมบังคับดินฟ้าอากาศไม่ได้เราก็ควบคุมเขาไม่ได้เราจะไปอยากให้เขาดีก็ไม่ได้ถ้าเขาไม่ดีก็ปล่อยเขาไม่ดีไปเรามาฝึกใจเราให้ปล่อยวางดีกว่าดีกว่าที่จะไปทำร้ายเขา แล้เวเราเผาเข้าในภาพเดี๋ยวต่อไปเราก็ไปเผาตัวจริงเขา้าเดี๋ยวมันก็จะยุ่งเพั mm hmm. ้นหันอยู่กับเขาให้ได้เหมกัเราอยู่กับดินฟ้าอากาศได้ฝนจะตกเราก็อยู่ได้แดดจะออกเราก็อยู่ได้ mm hmm. คนดีเราก็อยู่ได้คนไม่ดีเราก็อยู่กับเขาได้แล้วก็อยู่เฉยๆของเราไปเขาดีชั่วบนเรื่องของเขาไปไม่ได้เกี่ยวกับเราเท่าไหร่คำถามจากทางเฟซบุ๊กค่ะ เวลาผมมีความคิดฟุ้งซ่านหรือความคิดเข้ามาแทรกเวลาภาวนาอยู่ผมจะกำหนดรู้ตรงอกพอความคิดหรือความฟุ้งซ่านหายไปแล้วค่อยมาดูลมหายใจถูกต้องไหมครับก็ได้วิธีไหนที่ทำให้ใจสงบได้ทั้งนั้นมันมีหลากหลายวิธีด้วยกันคำถามจากทางเฟซบุ๊ค่ะผมอยากถามหลวงพ่อว่าพอจะมีวิธีละความหลงตัวตนได้อย่างไรบ้างครับ พอปฏิบัติไปบางทีมันก็คิดว่ามันดีมันเก่งอยู่คนเดียวครับทำตัวให้เป็นขี้ข้าเขาบ้างอย่าไปคิดว่าเป็นเจ้านายไปอยู่กับใครก็คิดว่าเขาเป็นเจ้านายเราเราเป็นขี้ข้าเขาเ้าหลับตอตัวตนแบบนี้คำถามจากทาง facebook ค่ะหากลาออกจากราชการเพื่อออกบวช แต่ต้องเลือกรับบำนาญเพื่อรักษาสิทธิการรักษาพยาบาลไว้ให้คุณแม่และภรรยาแต่บวชแล้วไม่ควรมีไรายได้ควรจัดการเงินบำนาญรายเดือนนี้อย่างไรครับก็ให้แม่ไปสิทดแทนเป็นคนดีที่สุดก็คือให้พ่อให้แม่เพราะเราไม่สามารถเลี้ยงดูท่านได้ตอนที่เป็นพระเท่าที่ควรก็อาศัยเงินบำนาญนี้ช่วยเลี้ยงดูพ่อแม่ไปพระพุทธเจ้าไม่ห้ามเลี้ยงดูพ่อแม่นี้ แม้แต่บินาบาทอาหารได้มาก็แบ่งให้พ่อให้แม่กินได้คำถามสักทาง y o u t u พระอาจารย์ดอกตอร์ค่ะขอพระอาจารย์เมตตาบอกอารมณ์สภาวะธรรมในหลักธรรมโพชงเจดในขณะที่ภาวนาแล้วจิตตั้งมั่นพร้อมเดินปัญญาครับแล้จิตตั้งมั่นไม่เดินปัญญาให้จิตตั้งมั่นไปนานๆให้สงบไปนานๆก่อนมีคนนอนหลับอย่าไปปลุกให้เขาตื่น ปอให้เขานอนให้พอก่อนพอเขาอิ่มตัวแล้วเขาตื่นขึ้นมาแล้วค่อยเรียกเข้าไปทํางานจิตเวลาเข้าสมาธินี้เป็นเวลาพักผ่อนเวลาให้กําลังกับจิตไว้รอให้จิตออกจากสมาธิก่อนแล้วค่อยเอาไปใช้ทางปัญญาได้คําถามจากทาง youtube พระอาจารย์สุชาติค่ะกรณีไดายา้ย่าถ้าไปถูกสัตว์ตายโดยไม่ตั้งใจจะบาปไหมคะไม่บาปแต่มันก็เกิดความเสียหายขึ้นมา แสดงว่าขาดความเมตตาขาดการระมัดระวังในชีวิตของผู้ในความเสียหายเดือดร้อนของผู้ก็เป็นการกระทําที่ไม่ควรกระทำํำถึงไม่มีเจตนามันก็เกิดความเสียหายได้แล้วมันก็อาจจะเป็นโทษกับเราได้เช่นถ้าเราขับรถไปแล้วไม่มีเจตนาแล้วไปชนคนตายอย่างเงี้ยถึงไม่มีเจตนาถึงแม้มจะไม่บาปแต่มันก็มีโทษที่เราจะต้องไปรับใช้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็ต้องจับไปลงโทษหาว่าประมาท ขาดความรอบคอบคําถามจากทางเฟซบุ๊กค่ะปลวกที่บ้านเยอะจะต้องทําอย่างไรถึงจะไม่บาปเจ้าคะให้คนอื่นทําแทนเราสิบริษัทค่าปลวกนี้เขายินดีรับใช้เราอยู่แล้วเพีงแต่ไปบอกเขาว่าที่บ้านมีปัญหาเรื่องปลวกจะทําทยัางไงดีถ้าเขาอาสาก็าเราก็ไม่บาปเราไม่ได้สั่งเขาแต่อย่าไปสั่งเขาอย่าไปบอกพี่ช่วยมาจัดการปลวกให้หน่อยอย่างนี้บาป แต่ถ้าเขาอาสามาเองเาไม่เป็นไรครับผมดำเนินการให้อย่างอย่างนี้ไม่บาปเพราะเขาอาสาเพราะเป็นอาชีพของเขาแต่ถ้าเราไปสั่งเขาเราไปขอร้องให้เขาช่วยบาปทําเองก็ดีขอให้เขามาช่วยก็ดีนี่บาปแต่ถ้าเราไม่ได้ไปขอให้เขาช่วยเพะะียงแต่บอกให้เขารู้อันต่างกันเนะเาะก็เลยอุบายเนี่ยพุทธเจ้าเหล่า น, นี้คืออุบายอย่างภาพ บ, บางทีมีต้นไม้มา กิ่งไม้มาเกี่ยวกุฏิมดมันขึ้นก็บอกญาติโยมว่าโยมเ อ, มอม้ทอํายังไงดีจริงไม้ไม่มาคากุฏิทําให้เกิดมดขึ้นมาโยมก็บอไม่เป็นไรเดี๋ยวผมตัดให้อถ้าเราไม่ได้สั่งเขาเพี่งแต่บอกเขาคําถามจากทาง y o u ูทูปพระอาจารย์สุชาติค่ะอาวุโสพันเตกับพระอริยาพันเตต่างกันยังไงครับไม่ต่างกันหรอกมันก็เหมือนกันพันเตก็พันเตอาวุโสก็อาวุโส หมดได้ยั ง, ย, ง<ม>ยังไม่มีคำถามใหม่ค่ะจะได้รีบปประชุ ม, มอย่างวันนี้ฝนฟ้าอากาศไม่ค่อยดีเดี๋ยวเกิดตกขึ้นมาก็ขอให้ท่านจกนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิจรารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเธอ